มงคลชีวิตโดยพระเอกปิ่นมุทุกันเรื่องความเบื้องต้นตอนวงอภิปรายสังคมเรานี้มีโรคประหลาดอยู่ชนิดหนึ่งคือโรคฮือโรคสงบเป็นพักๆแล้วก็กำเร้าเป็นคราวๆแต่ฮือทางอื่นข้าพเจ้าจะไม่ว่า จะว่าเฉพาะฮือทางด้านชีวิตจิตใจอันเป็นปัญหาทางความก้าวหน้าโดยตรงเท่านั้นประเดี๋ยวฮือเครื่องรางของขลังประเดี๋ยวฮือผู้วิเศษประเดี๋ยวฮือวิปัสสนาแล้วก็ประหลาดดีเหมือนกันพอคนฮือไปทางไหนก็มีผู้แสดงตัวว่าเป็นคณาจารย์ในทางนั้นเยอะแยะนึกดูว่าในยามปกติ พระอาจารย์ที่สําเร็จวิทยาคุณทางเครื่องรางของขลังจะต้องมีอายุอานามคราวปู่ทั้งนั้นแต่ถ้าคนทั้งหลายคือเล่นเครื่องรางของขลังกันแม้แต่สมณีน้อยก็มีผู้ดึงเอามาสถาปนาขึ้นเป็นคณาจารย์หาวิทยาคุณความดีวิเศษใส่ตัวไม่ทันก็อ้างตัวว่าเป็นลูกนาคลูกงูไปตามเรื่อง ในยามที่คนฮือหวยเบอร์กันก็เหมือนกันเต็มไปด้วยคนตาทิปหูทิปออกท่าออกทางมีกลเม็ดแปลกๆที่ไม่มีดีกรีทางธรมสมาธิภาวนาเลยก็อ้างว่าตัวสำเร็จทางฝันบ้างสามารถติดต่อกับผีสางนางไม้ได้บ้างนี่ฮือแบบไทยย้อนหลังไปประมาณ26สศตวรรษ คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ธรรมประชาชนชาวชมพูทวีปก็มีโรคอย่างที่ว่านี้เหมือนกันคือโรคฮือแต่ว่าฮือของเขาสมัยนั้นกับฮือของเราสมัยนี้เป็นการฮือคนละแบบแม้ว่าจะมีความมุ่งหมายคล้ายๆกันคือมุ่งสแสวงหากุณวิเศษเข้าตัวปรากฏเรื่องราวทางศาสนาว่า คนสมัยนั้นกำลังตื่นตัวในการค้นคว้าปัญหาเกี่ยวกับชีวิตจิตใจเช่นปัญหาที่ว่าคนเราเกิดมาจากไหนเกิดแล้วทำไมจึงตายตายแล้วจะไปไหนตลอดจนปัญหาเรื่องความสุขความทุกข์เคราะดีเคราะร้ายการศึกษาและการจัดแจงสังคมได้มีผู้กอบคิดปัญหาเหล่านี้กันอย่างกว้างขวาง ครั้งมีนักคิดหลายคนแกคิดบ้างข้าคิดบ้างต่างคนก็ต่างคิดเห็นคนละทางสองทางแล้วต่างคนก็ต่างโฆษณาความคิดของตนว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องอย่างอื่นผิดพอโฆษณาออกไปมีคนเชื่อตามมากเข้าตัวเองก็กลายเป็นขณาจารย์มีลูกศิษย์กันคนละมากมากจนกระทั่งถึงขั้นฮือกันทีเดียว อาจารย์ก็คือหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็คืออวดอาจารย์เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มมีประปรายมานานแล้วจนกระทั่งย่างเข้ายุคพุทธกาลคือสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วการแข่งขันประชันดีกันระหว่างสิทธิ์ต่างอาจารย์ยิ่งรุนแรงขึ้นครั้งนั้นได้มีการชุมนุมสาธารณากันอย่างกว้างขวางตามหัวเมืองต่าง เกือบจะทั่วเจ็ดแคว้นในภาคกลางของชมพูทวีปสถานที่ชุมนุมใช้ร่มไม้ใหญ่บ้างศาลากลางเมืองบ้างสวนสาธารณะและจัตุรัสต่างๆบ้างบางแห่งที่เจ้าบ้านผ่านเมืองมีหัวนิยมในการพูดในที่สาธารณะก็อนุญาตให้ใช้สันธาคารหรือหอประชุมสำหรับเมืองนั้นๆพอถึงวันนัดคนก็ไปชุมนุมกัน และมีนักพูดผลัดกันขึ้นอภิปรายเสนอความคิดความเห็นจนถึงกับตั้งรางวัลเอาแพ้เอาชนะกันก็มีนึกถึงการชุมนุมสาธารณะของชาวชมพูทวีปสมัยนั้นแล้ ว, ลวก็ให้อดนึกถึงการชุมนุมไฮพาร์คของเมืองไทยเราไม่ได้ท่านผู้อ่านคงจะจําเหตุการณ์ไฮปาร์คเมืองไทยได้ดีกระมังพอนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงคราม อนุญาตให้เปิดไฮปาร์คเมื่อปี2499ถึงปี2500การชุมนุมอภิปรายก็เกิดขึ้นดัดดด่นตั้งแต่ท้องสนามหลวงใจกลางพระมหานครจนกระทั่งตามหัวเมืองต่างๆการชุมนุมอภิปรายสาธารณะครั้งต้นพุทธกาโนอนก็คงจะเหมือนเหมือนกับไฮปาร์คเมืองไทยในยุคกึ่งพุทธการนี้เอง จะต่างก็แต่วัตถุประสงค์และวิธีดาเนินการเท่านั้นยติอภิปรายของไฮพาร์คสมัยก่อนเป็นปัญหาทางความประพฤติเป็นปัญหาทางที่จะประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นแต่ไฮพาร์คสมัยนี้มุ่งไปในทางที่ว่าทำอย่างไรคนที่ผู้อภิปรายไม่ชอบหน้าจึงจะมีอันล้มละลายตายจากไปเสีย ถ้าว่าถึงความเผ็ดร้อนแล้วคนสมัยก่อนเขาใช้คารมคมคายและเผ็ดร้อนเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับกล่าววาจาหยาบช้าด่าทอกันเหมือนสมัยนี้นี่ว่าตามที่พบเห็นในตำรับตำราเท่านั้นไม่ใช่อวดรู้ก่อนเกิดส่วนกิริยามารยาทของนักฟังอภิปรายดูเหมือนจะคล้ายคล้ายกันกันกบสมัยนี้เหมือนกันกับนักพูดเก่งๆบางคน เวลาไปอภิปรายในที่ต่างๆมีคนเดินตามไปฟังเป็นจำนวนมากๆถ้าเป็นเหตุการณ์ในสมัยนี้ก็คงจะเข้าลักษณะการเดินขบวนตามหลังนักไฮพาร์นั่นเองข้อแพ้ของนักไฮพาร์คสมัยก่อนก็เห็นจะตรงที่ว่าไม่มีใครกล้ากรีดเลือดประท้วงอย่างที่นักไฮพาร์สมัยนี้ทำกันนักอภิปรายสมัยนั้น ต่างก็ประกวดประขันกันในทางแสดงกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยแสดงว่าใครจะเป็นผู้ดีมากกว่ากันเพราะคนที่มาอภิปรายนั้นแต่ละคนเป็นสิทธิ์มีอาจารย์ทั้งนั้นขืนทำอะไรตามอารมณ์ก็จะทำให้อาจารย์พลอยเสียชื่อด้วยจะอย่างไรก็ตามการอภิปรายของนักคิดนักคน้นสมัยนั้นก็เป็นผลดีแก่สังคมอยู่มาก ข้อเท็จจริงต่างๆที่แต่ละคณาจารย์คิดค้นได้เมื่อได้นำออกแสดงและถูกโต้แย้งจากฝ่ายอื่นแล้วที่มีสาระก็คงอยู่ที่ไม่มีสาระพอก็ถูกหักล้างจนต้องล้มเลิกไปก็มีมากข้อนี้นับว่าเป็นผลดีทางด้านพุทธสาวกไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนให้ไปร่วมโต้วาทะเช่นนั้น แต่ก็มีผู้นำปัญหาที่ขัดแย้งกันในวงอภิปรายมาทูลถามพระพุทธองค์อยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยชี้ถูกชี้ผิดให้เสร็จสิ้นไปแต่การที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระสาวกเข้าโต้กับฝ่ายอื่นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ได้ทรงเป็นห่วงสาระในหลักธรรม เกรงว่าจะทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้อย่างนั้นหามิได้ตรงกันข้ามพระองค์ได้ทรงประกาศท้าอยู่ตลอดเวลาความที่ว่านี้ก็คือพระธรรมคุณบดว่าเอหิปัสิโกซึ่งแปลว่าเชิญมาพิสูจน์ได้ข้อความนี้ได้ถูกประกาศอย่างกว้างขวางเป็นที่ทราบกันทั่วไปแม้จนกระทั่งทุกวันนี้ ความมุ่งหมายก็เพื่อจะกล่าวท้าบรรดานักอภิปลายทั้งปวงให้มาพิสูจน์ดูให้วิภาควิจาร์ดูพระธรรมในพุทธศาสนานั้นนอกจากจะทนต่อการวิจาร์แล้วยังมีเรื่องประหลาดอยู่อีกอย่างคือทำให้ผู้วิจาร์นั้นเกิดเลื่อมใสศรัทธาอีกด้วย